แวนก้าผู้มีตาทิพตตอนสองดรยอช์ ch, เล่าว่าในราวกลางปี1960ประชาชนทั่วสารทิศต่างก็พากันเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากแวนก้าบางคนก็มาจากต่างทวีป เช่นออสเตรเลียอเมริกาและแคนาดาจนกระทั่งแวนก้าไม่สามารถจะรับภาระอันหนักนี้ได้เฉลี่ยแล้วมีแขกมาหาเธอวันละประมาณ50รายด้วยเหตุนี้การทำนายของแวนก้าเริ่มจะลดประสิทธิภาพลงเสียงที่พูดก็สั่นพร่ภาพที่เห็นก็ไม่ชัดเจนและดูสับสนแต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาลบัลแกเรียซึ่งได้เฝ้ามองแวนก้าและทําการสอบอยู่อย่างเงียบๆมาเป็นเวลาก่อนนี้แล้วก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแวนก้าโดยบังเอิญคือได้สรุปผลจากการทดสอบของทางการว่าตาทิฟและการทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นไปได้จริงทางการได้เริ่มจัดตั้งสถาบันการค้นคว้าทางวิญญาณขึ้นที่เมืองโซเฟียและเมืองเปตริช ซึ่งแวนก้ามีถิ่นฐานพำนักอยู่สถาบันนี้ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ30คนและสถาบันนี้ได้เข้าดำเนินการทดสอบแวนก้าอย่างจริงจังจึงเป็นการช่วยไม่ให้แวนก้าต้องถูกรบกวนจากประชาชนทั้งหลายมากเกินไปต่อมาในปี1966รรัฐบาลบันแกเลียก็จ้างแวนก้าไว้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการต่างๆทางจิตวิญญาณ โดยให้ค่าจ้างสัปดาห์ละส0 0บาทดรยอช์เล่าต่อไปว่า mm hmm. เหตุที่ทางการของบัลแกเรียเข้ามาดำเนินการส่งเสริมในเรื่องนี้ก็เพราะว่าประเทศบัลแกเรียมีเรื่องราวเกี่ยวกับวยศาสตร์อันลึกลับนี้มานานแล้วประชาชนชาวบัลแกเรียที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณก็มีอยู่มากมายดังนั้นจึงเป็นการผลักดัน ให้รัฐบาลต้องหันมาดำเนินการค้นคว้าในวิชาการด้านนี้อย่างจริงจังดอกเตอร์ยอร์จมีทัศนะว่าคนเราทุกคนล้วนแต่มีอำนาจจิตอยู่แล้วในตัวแต่เท่าว่าไม่รู้วิธีที่จะนำมันออกมาใช้เท่านั้นสำหรับตัวดอกเตอร์ยอร์จเอง ก่อนที่จะถูกขอร้องให้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทั้งสองแห่งนี้ก็ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องอำนาจจิตในการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้ามาเป็นเวลา20ปีแล้วด็อเตอร์ยอชได้ปฏิบัติงานร่วมกับแวนก้ามาเป็นเวลานานถึง20ปีในการดำเนินงานนั้นมีอุปสรรคอยู่มากมายหลายประการข้อสำคัญก็คือ เขาจะต้องทำหน้าที่พิสูจน์ให้ได้โดยทางวิทยาศาสตร์ว่าแวานก้าเป็นผู้มีตาทิพย์จริงเมื่อประมาณ3ปีมานี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำการทดสอบแวนก้าว่าจะมีความสามารถแท้จริงหรือไม่ดอกเตอร์ยอได้ปล่อยให้คณะกรรมการแต่ละท่านทำการพิสูจน์ และวิเคราะห์ไปตามความรู้และประสบการณ์ของตนในการทดสอบก่อนที่จะดำเนินการในเรื่องนี้กรรมการบางท่านมีความเห็นว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าที่จะมาดำเนินการทดสอบในเรื่องการทำนายเหตุการณ์ข้างหน้าสู้เอาเวลาไปทำการค้นคว้าและวิจัยงานด้านจิตแพทย์จะได้ประโยชน์คุ้มค่ากว่าแต่เมื่อการทดสอบได้ดาเนินไปทีละขั้นทีละตอน และยิ่งดําเนินการคืบหน้าไปเท่าใดก็ยิ่งแสดงความสามารถของแวนก้าให้เด่นชัดขึ้นทุกทีว่าเธอมีความสามารถทางตาทิปอย่างแท้จริงในที่สุดคณะกรรมการก็ทำรายงานรับรองความสามารถของแวนก้าและวิชาปราจิตวิทยาในบันลแกเรียก็ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งมากยิ่งขึ้น สถาบันเกี่ยวกับการค้นคว้าในเรื่องนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและรัฐบาลได้จัดหาเงินทุนมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ดรยอชกล่าวว่าผลการทำนายที่แวนก้าได้ให้ไว้ต่อประชาชนมากกว่า3 0 0พันคนเมื่อได้ทำการทดสอบแล้ว การทำนายมีส่วนถูกถึง80เปอร์เซ็นต์การค้นคว้าและทดสอบนี้นอกจากจะหวังผลในเรื่องราวต่างๆแล้วยังมุ่งหาความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานที่เป็นมูลฐานสำคัญของความสามารถพิเศษนี้ตลอดจนความสัมพันธ์ของพลังงานนี้ที่มีส่วนโยงกับมนุษย์สิ่งสำคัญในการสแสวงหาข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งก็คือ อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้การทำนายของแวนก้าไม่อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอกล่าวคือบางวันก็สามารถทายได้ถูกต้องแม่นยำบางวันก็มีส่วนผิดพลาดและความสามารถในการทำนายนี้เกิดจากสภาพทางชีววิทยาแห่งร่างกายของมนุษย์หรือไม่มันสมองของแวนก้ามีลักษณะที่แตกต่างจากบุคคลอื่นหรือไม่ อะไรคือมูลเหตุที่ทำให้เกิดความสามารถนี้และข้อสำคัญก็คือคนเรามีชะตาชีวิตหรือที่เรียกว่าพรมลิขิตที่กำหนดชีวิตมาอย่างแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงหรือนี่เป็นปัญหาที่ทางคณะกรรมการกําลังค้นคว้าหาความจริงผู้ประพันธ์หนังสือเล่มที่นํามาเล่าสู่กันฟังนี้ ได้ตั้งปัญหาถามด็ออร์ยอเพื่อขอคำอธิบายว่าการทำนายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรชีวิตมนุษย์เป็นไปตามพรหมลิขิตหรือการทราบเรื่องราวในอนาคตได้นี้เป็นเพราะชีวิตในภูมิอื่นหรือโอปปาติกะมาบอกเล่าดังที่ประชาชนทั่วไปเชื่อถือกันว่าเป็นเช่นนี้จริงหรือ เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ด็ออร์ยอขอตัวที่จะให้คำอธิบายเขาเพียงแต่บอกให้ทราบตามที่แวนก้าได้แจ้งให้เขาและเพื่อนร่วมงานทราบเท่านั้นว่าการที่แวนก้าสามารถรู้อะไรต่ออะไรได้นั้นเป็นด้วยเธอเห็นภาพนิมิตที่ถูกส่งมาให้เธอเห็นและเธอได้ยินเสียงพูดต่างๆอีกด้วย ปัจจุบันแวนก้าทำงานของเธอโดยมีผู้ช่วยสองคนและกลุ่มผู้ร่วมงานอีกหนึ่งกลุ่มมีหน้าที่คอยซักถามผู้ที่จะมาหาหรือกับเธอโดยช่วยย่อยและย่อเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อไม่ให้แวนก้าต้องเสียเวลารับฟังเรื่องทั้งหมดของทุกๆคนในการทำงานนี้มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดไว้คอยช่วยเหลือทุนแรงทุกประการ ในการทำงานประเภทนี้เรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกทางอารมณ์ร่วมเป็นของสำคัญอยู่มากโดยมากผู้ที่มีพรสวรรค์นในทางวิญญาณเช่นแวนก้ามีความยินดีและเต็มใจช่วยเหลือประชาชนที่มีทุกข์ร้อนจริงๆมากกว่าที่จะทำงานอย่างฝืนธรรมชาติภายใต้การควบคุมและบรรยากาศอันเคร่งเครียดซึ่งมีนักวิทยาศ า, ศาสตร์มาคอยควบคุมเชิงจ้องจับผิดอยู่ทุกอิริยาบถ สภาพทางใจในที่เช่นนี้ไม่มีความชุ่มชื่นทำให้เกิดกําลังใจในการทำงานซิเลยดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่จะทำงานร่วมกับแวนก้าจึงต้องเป็นผู้ที่มีอารมณ์ร่วมและเข้าใจกันได้บ้างพอสมควรเมื่อแวนก้าได้รับการสนับสนุนและรับรองจากรัฐบาล ความก้าวหน้าของเธอและของวิทยาการในด้านนี้ก็ดำเนินไปด้วยดีปัญหาเรื่องการเลี้ยงชีพและการหาทุนเพื่อหาเครื่องมือค้นคว้าในทางวิชาการก็หมดไปเรื่องนี้จึงเป็นผลดีทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเป็นเวลากว่า30ปีมาแล้วที่แวนก้าได้ใช้พรสวรรค์ของเธอให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ผู้แต่งหนังสือเรื่องนี้ซึ่งเป็นชาวอเมริกันได้กล่าวว่ารู้สึกว่าสำหรับเธอเวลาเป็นของไม่มีความหมายเลยทั้งทั้งที่เธอมองอะไรไม่เห็นด้วยตาเนื้อเหมือนอย่างคนอื่นแต่เธอก็สามารถเห็นอะไรอื่นที่คนตาดีมองไม่เห็นเลยได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันในที่สุดผู้ประพันธ์เรื่องนี้กล่าวว่า ประเทศบันแกเลียเป็นประเทศเล็กๆก็จริงแต่ประชาชนส่วนมากพากันเลื่อมใสสนใจในเรื่องโทรจิตหูทิปตาทิย์และการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตอยู่มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วประเทศบันแกเลียกำลังหันเข้าไปหายุคเดิมคือยุควิญญาณซึ่งเป็นยุคที่ประเทศของตนมีเรื่องราวและปรากฏการณ์ต่างๆมาแต่โบราณกาล และบันการีไม่ใช่จะมีผู้มีความสามารถพิเศษอย่างแวนก้านี้แต่เพียงผู้เดียวยังมีชาวบันการีอีกหลายพันคนที่มีความสามารถเยี่ยงแวนก้าอีกจนอาจกล่าวได้ว่าประเทศบันการีเป็นประเทศที่มีอำนาจจิตเป็นแหล่งทรัพยากรของธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่งบทความจากไซคีนิวส์ 5กันยายนคริสตศัราช1970